ผลไม้นี้เกิดมาได้อย่างไรและต้นผลนไม้นี้อาศัยอะไรเป็นอาหารปุ๋ยประเภทใดจึ่ถูกกับผลไม้ต้นนั้นๆจึงดังผลให้ปรากฏขึ้นได้รับประโยชน์ข้าวแห่งพระพุทธเจ้าประชรู้ก็ดี ข่าวแห่งสาวกที่ได้ตรัสรู้ตามพระองค์ท่านกน็ดีนี่เป็นข่าวส่วนผลแต่ข่าวเหตุพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินอย่างใดจึงได้รับผลอันสมบูรณ์เราบวชมาในพระาศาสนาจึงไม่ควรรอฟังข่าวของท่านซึ่งเป็นผลโดยถ่ายดี ที่ถูกต้องฟังทั้งผลที่ท่านได้รับด้วยทั้งเหตุที่ท่านดำเนินด้วยข้อปฏิบัติอันยังผลนั่นให้ปรากฏขึ้นด้วยและน้อมเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนตนเองแต่ละท่านว่าทางจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นหรือบ้านนั้นเมืองนั้นมีทางไปได้อย่างไรเขาไปทางสายใดจึงถึง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 ฟื้นดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าและสาวกดำเนินไปแล้วผู้นั่นจะต้องถึงฝั่งแห่งความาเกษมคือพระนิพพานเวลานี้เราทั้งหลายต่างก็ค่าเครื่องลบเต็มตัวอยู่แล้วเครื่องลบของเราทุกทิ้นที่เป็นหลักคงชัย ท่านสืบเนื่องมาแต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ทรงได้ชัยชนะมาแล้วเครื่องรบนั่นคือดยฐานแปดที่ประธานให้ผู้บวชเป็นพระเป็นเนรในพระพุทธศาสนาได้แก่บาทสบงีวรสังคาติประพุทธเอว มีโกนเครื่องกรองน้ำและกรองเข็ม น, นี่คือเครื่องลบของนักบวชที่ประธานให้เป็นมรดกนับแต่วันอุปสมบทมาปัญญาตนเป็นสิทธิพระถาคดและทรงชี้วิธีปฏิบัติและทางนำเนินเพื่อใช้คณะห้าสิทธิคือพิเลน่าจะโลภะโภจาโมหะ อันเป็นส่วนภายในของตนทุกกรณแต่ประโยคน้ำคัญคือตัวของเราบัดนี้เราได้คาดการลบไว้มากน้อยเท่าไร่เพื่อนำใจชนะมาสู่ตัวเราเองเครื่องมือในการลบคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกไปตามมัชฌิมาปฏิปทามีแต่คือ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 ท่านเดินสายนี่แหละซึ่งโลกทั้งหลายเดินได้โดยยากเบื้องต้นพระองค์ทรงนำเนินพระองค์เดียวก่อนใครในโลกเมื่อถึงฟังแห่งความปลอดภัยแล้วจึงทรงพระเมตตามำทม ท, ที่ใ น, นจัดสรู้มาประกาศสั่งสอนแต่ปวงสดภูมิอุปนิสัยคล้ต่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วพอได้สนับธรรมที่ทรง ประกาศสอนบางก็มีความสนใจใครจะฟังข้าออาัจข้อธรรมคือหลักความจริงจากพระพุทธเจ้าและเกิดความเชื่อความลุ่มใสบางรายได้สำเร็จมาผลต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีโดยเป็นพระโสดามันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้าง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 นั่งอัดฤเวโดยมากเมื่อเกิดข้อข้องใจในส่วนเห็นธรรมขึ้นมาก็เข้าไปทูลถามเมื่อทรงชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติจนสามารถรู้แจ้งแจงตลอดเป็นสาวกอรหันขึ้นมาและเป็นพยานแห่ง ธรรมของสิ่งที่พระองค์ทรงรู้เห็นว่าไม่เป็นโมคธรรมสำหรับสัตว์ทั้งหลายคำภาษาสมกแปลว่าผู้สนับหรือแปลว่าผู้ฟังฟังทั้งเหตุดีเหตุชั่วผลดีผลชั่วฟังทั้งเรื่องของตนเองทั้งเรื่องของคนอื่นที่เป็นความผิดและความถูกซึ่งจะเคลื่อนทางกายวาจาใจ สาวกทั้งหลายไม่มีความท้อแท้ไม่มีความอ่อนแอในการบำเพ็ญศีลจะมาที่ปัญญาให้เปงไปวันย่างคำ่ำคืนย่างรุ่งสาวกทั้งหลายถือเป็นเรื่องความเพลี่ยนทางนั้นฉะนั้นประวัติของพระสาวกที่ท่านผ่านพนา้นอุปสรรคคือกองทุกไปได้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความอาหาน่าริงต่อสถานที่อยู่อันเป็นที่ส ง, งัดยิเย มีความร่าเรินต่อความเพียรแต่ข่าวของพวกเราจะเป็นอย่างไรจรงน้อมข่าวของท่านมาดำเนินด้วยความกระหายและมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยตลอดที่อยู่ที่อาศัยทั้งอารมณ์เครื่องรบกวนใจยงพยายามตัดทอนให้น้อยลงอารมณ์ใดเป็นไปเพื่อความก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอารมณ์นั้นท่านเรียกว่าสมุทยัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ จงพยายามตัดทอนให้น้อยลงหรือเบาบางเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของมรคคือสีสมาธิปัญญาถ้าเราอ่อนต่อความเพียรเพื่อระกิเลสแล้วอย่างไรจะเอาตัวไปไม่รอดเพราะวันนี้กับวานนี้เป็นความมืดความสว่างอันเดียวกันไม่เป็นผลดีผลทั่วอันใดที่จะให้กิเลส หมดไปจากเราและจะให้กิเลสเกิดขึ้นในใจของเราได้นอกจากความเคลื่อนไหวของกายมาจาใจเท่านั้นที่จะให้ฝเกที่จะให้กิเลสหมดไปและเป็นการสังสมกิเลสขึ้นมามีอยู่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นจงน้อมข่าวของทพพทธเจ้าและข่าวสาวกมาเป็นข่าวของเราอยาประมาทนอนใจอยู่เปล่า และเสียประโยชน์อันยิ่งยวดซึ่งควรจะได้ในความเป็นมนุษย์และความเป็นนักบุญนายินแต่ข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรและลบซ่อนตรงอยู่ในป่าอันเป็นที่ไม่วุ่นวายและรบกวนด้วยเรื่องใดๆมีเจตตนส่งไปในความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน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 จึงไม่ได้สำเร็จผลอย่างนั้นขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามแบบของท่านโดยถูกต้องข่าวนั้นก็จะสะท้อนย้อนมาเป็นข่าวของเราจนไดน้เรื่องโอกาสวาสนาอํานวยนักบวชเรานับว่ามีโชคกว่าใครๆในการประกอบความเพียรเพื่อรือถอนตนออกจากทุกถ้าเราว่า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 แม้แต่ชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็ได้รับความร่มเย็นจะเห็นใกล้ๆเช่นผู้มีความเชื่อเรื่องไยในพระศาสนานำทำคำคา ส, สอนของพระพธธุทธเจ้าไปปฏิบัติตนเองก็ยอมได้รับความสะดวกกายสบายใจเฉพาะในวงครอบครอบครัวก็มีความสุขเพราะไม่มีความระแวง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 นำผลประโยชน์มาสู่ครอบครัวของตนด้วยความทุ่มเทเบิกบานจิตใจทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยายต่างมีความรักใกล้วางใจต่อกันในทางอารมณ์ไม่มากมากในหญิงชายอันเป็นค่าสึทเครื่องทำลายครอบครัวและศีลธรรมเพียงครอบครัวหนึ่งหนึ่งปฏิบัติตนต่อกันเท่านี้เรื่องกองทุกข์ขนาด ปวดร้าวในหัอกพวกท้าในหั ว, ออ ว, ใ, หวใจจะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆเลยทําคําสอนของพระพุทธเจ้าทําความนุ่มเย็นให้ทั้งครวาวาสและนักบวชได้เป็นอย่างดีเพราะธรรมเป็นธรรมชาติเย็นอยู่แล้วใครปฏิบัติตามผู้นั้นต้องได้รับความเย็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาตามกําลังความสามารถที่ตนได้ก่อ อันดีไว้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มีโอกาสด้วยวาสนาก็อำนวยด้วยถ้าเราอยู่ในเพศนี้ไม่เย็นเพศไหนจึงจะเย็นกว่าเพศนี้ไม่ยนถ้าเราอยู่ในทีน่นี้ไม่เย็นเราจะไปอยู่ที่ไหนจึงจะเย็น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 มีที่ไหนบ้างซึ่งจะเป็นที่เย็นพระพุทธเจ้าและสาวกก็ทรงสแสวงหามาก่อนพวกเราแล้วไม่ทรงคบว่าที่ไหนจะเป็นที่เย็นกรถ่ายจึงได้เสด็จออกบวชแสวงหาที่เย็นบวชแล้วทรงสแสวงหาที่เย็นอยู่ถึงหกปีไม่ทรงปรากฏที่ไหน พอรงุงพระไทยเชื่อถือได้ว่าที่นั่นที่นี้น่าจะเย็นจนสุดพระไทยไม่ปรากฏมีที่ไหนเลยในนวกกว้างแสงกว้างจึงทรงย้อนเข้าสู่ป่าอันเป็นที่เงียบสงดซึ่งใครๆเขาไม่ปราถนาด้วยทรงย้อนกระแสใจเข้าสู่ป่าคือแดนแห่งที่เหลวซ่องสุมอยู่ภายในกายและภายในใจด้วย ทรงยังจิกเข้าในอริยสัตสีพิจารณาทุกข์ึ้นเป็นตัวผลค้นคว้าลงถึงตัวเหตุอันเป็นแรงผิดทุกข์ให้สัตว์เสวยไม่มีวันจบขิ้นทรงกำหนดเริ่มต้นแต่อนาปาณสติอันเป็นส่วนหนึ่งของกายเข้าไปเป็นลาดับถึงส่วนนามธรรมคือเวทนาทั้งสามได้แต่สุขทุกเฉ ย, เยที่เกิดขึ้นภายในกาย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 ขันท่าอันเป็นกองแห่งอาณานิคซึ่งเต็มเปื้อทุกสมุทรได้ถูกพระปัญญาของพระองค์เจ้าไล่ตะล่อมเข้ารวมจุดไม่มีที่ปรีหอกได้พระอนาจพระปัญญาวานล้อมขอบคิดหมดแล้วจึงวิ่งหมุนติ้วลงสู่อุโมงค์ใหญ่อันเป็นป้อมค่ายของอมิชา ที่ทำหน้าที่สั่งงานคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้าตามค้นดูรูปเวทนาัญญาสังขารและบิญญาณจนแจ้งชัดแล้วผลในตอนนี้ปรากฏว่าอาการแห่งขันตั้งห้าบอกสาเหตุในตัวว่ามาจากป้อมค่ายของอบิชาเป็นผู้สั่งงานแต่ผู้เดียวเท่านั้น พรงท่านทรงหมดความติดเพรือไทยในขันห้าว่าไม่ใช่ตัวโจนคือกิเลสแน่แน่ก็ทรงยังพระปัญญาขุดค้นตามเข้าไปจนถึงป้อมค่ายของหัวหน้ามัตตาจักเถืออนวิชาทรงพิจารณาถอยออกขยับเข้าตามความกระเพื่อมของอวิชาแสดงตัว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 อวิชชาคือพระปัญญาของพระองค์รู้เท่าทันเทรนของอวิชชาหมดแล้วขณะนี้อวิชชากําลังถูกจับตัวเจ้าหน้าที่คือพระปัญญากําลังให้อวิชชาชี้ของกลางที่เคยไปเที่ยวจบลักต้นกี่ของเข้ามาในขณะเดียวกันก็เป็นเชิงฝึกซ้อมพระปัญญาให้มีความขนาดับรอบขอบอยิ่งขึ้นและเป็นการสังหาร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 นี่คือแรงผลิตทุกข์ทั้งหมดทาแรงนี้ไม่ถูกทำลายเสียเมื่อใดทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งสำเร็จรูปมาจากแรงผลิตนี้จับเป็นไปตลอดอนันตาการไม่มีวันจบขิ้นลงได้นี่คือต้นเหตุแห่งทุกข์อันใหญหลวงถ้าไม่ดับต้นเหตุนี้เสียทุกข์จะดับไปไม่ได้เพราะความหลงต้นเหตุ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 ได้เสียดีใจเสียใจเป็นเราเป็นของเราเรื่องเราจึงระบาดไปทั่วโลกยิ่งกว่าโรคระบาดที่น่ากลัวกันเสีแทบจริงมาจากต้นเหตุเพียงอันเดียวเท่านั้นคืออวิชาปฏิญาสังทาราต่อเป็นพืชไปทั่วพบทั่วชาติทั่วโลกดินแดไม่มีขอบเขตยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลอวิชาปฏิญานี้ จะทนต่อจอบเพชรเนพระปัญญาเพชรที่พระองค์กุดค้นฟาดฟันอย่างไม่ท้อถอยไปไม่ได้วัตะจาได้ถูกถล่มจมลงไปด้วยอำนาจพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระวิชาบิมุตได้หลุดลอยขึ้นมาในขณะวิชาดับลงไปในปฏิมยามของนาตรีเดือนหกเป็นกระจันเต็มดวง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 ในรประวัติปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสวงหาความร่มเย็นอย่างเราๆที่ไหนก็ไม่สรงพบเมื่อพระองค์ทรงย้อนพระทยเข้าสู่ป่าอันเป็นที่สนัดทิ่เว่และย้อนเข้าสู่ป่าคือคลองแห่งอริยสัจสี่อันเป็นรากฐานควรจะได้ทรงพบความร่มเย็นได้แล้ว ก็ทรงพบสิบจกแห่งกองทุกทั้งมวลและทรงพบความเย็นยังอัศจรรย์ขึ้นในที่นั้นความร้อนก็เกิดในพระองค์ผู้เดียวและความเย็นก็เกิดในพระองค์คนเดียวกันแม้ความโง่ความสลาดก็จะเกิดในคนคนเดียวกันนั้นฉะนั้นจงทราบเสีย ว, ว่าไม่มีที่ไหนจะร้อนยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเล และสถานที่อยู่ของคนผู้ต้องโทษซึ่งถูกคุมขังก็อสถานที่ที่จะยกกิจออกจากที่คุมขังคือที่เด็นั้นเหมาะที่สุดตามทางพระพุทธเจ้าคือป่าหรือสถานที่ที่อยู่นอมัดนี้และการกระทํเซื่องกามินกำังทาอยู่ในขณะ น, นี้จะเป็นไปเพื่อความยืดเยือในใจและความดุพ้นโดยไม่กับ มาอยูหุมมูดหลุมคูนี้อีกพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านประทับอยู่ในที่สงับวิเลชเช่นนี้อันเป็นที่ประกอบความเพียรโดยสะดวกฉะนั้นเราทั้งหลายจงดีอย่างท่านจงมีความรักในสีมีความรักในสมาธิมีความรักในปัญญามีความรักในความเพียร เพื่อความดุจบานในอียิปต์ทั้งปวงมีความรื่นเรืองบันเทิงในงานที่ชอบคือการต่อถอนจิรตเป็นจิตสําคัดที่กล่าวนี้เป็นความสั่งหัดภายนอกในส่วนแห่งกายและความสงัดภายในใจมีความสั่งัดภายนอกเป็นที่อยู่ของกายมีความสั่งัดภายในเป็นที่อยู่ของใจสถานที่เหล่านี้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 และถือเป็นความสนิตสนมคำว่าโลกท่านลงได้เข้าสิงหัวใจของใครแล้วจะเป็นไฟขึ้นมาที่ใจดวงนั้นผลที่ปรากฏขึ้นจากไฟก็คือความรุงรอนดูที่ไหนก็ไม่สบายตามท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามีตุนนักริงจอกตัวหนึ่งมีแผลอยู่บนที่สะถูกน้อนเจาะน้อนชัยกัดกินอยู่ทั้งวันทั้งคืน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 ให้หมดไปได้เพราะเหตุนั้นเราอยู่ในที่ไหนไหนอย่าเป็นผู้ปราศจา ก, กสติจงเป็นผู้มีสติทุกๆอิริยาบถการเคลื่อนไหวไปมาการขบฉันการนั่งการ น, นอนเย็นเสียแต่หลับเท่านั้นจงให้เป็นไปกับติและปัญญาจะชื่อว่ามีธรรมรักษาตนจะเป็นผู้ปลอดภัยจากเวรอันหนึ่งไัยหรือเวร น, นั้นไม่มีใครจะ มาก่อร่างสร้างขึ้นที่ใครได้นอกจากตัวเราเองเป็นผู้ก่อเหตุทำเวรขึ้นมาใส่ตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวผลจึงปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนนี่คือความปราดเปรื่อสติถ้าเป็นผู้มีสติอยู่แล้วเรื่องทั้งนี้จะไม่มาดําความจิตใจของเราได้จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขทุ ก, ท, กทุกอิยาหมด การประกอบความเพียรทุกๆประโยคสติกับปัญญาเป็นธรรมสําคัญมากและต้องแนบกับความเพียรนั้นๆเสมอไปถ้าหากสติกับปัญญาได้ขาดจากประโยคแห่งความเพียรนั้นๆแล้วความเพียรเหล่านั้นต้องกลายเป็นโมฆะไปทันทีโรปรดทราบไว้อย่างนี้ จะไรู้สึกว่าสติกับปัญญาเป็นธรรมสาคัญอย่างไรบ้างการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกๆครั้งถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกํากับรักษาอยู่แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับเขาเดินเขานั่งธรรมดาในเอียบททั้งปวงต้องมีสติกับปัญญาประคองความเพียนติดต่อสืบเนื่องเป็นลําดับกิเลส จ, จะยกกองพลมาจากที่ไหนจะมารก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 แล้วเพลิงกิเลสทันหาตัวไหนจำตัวใดจะมาจากที่ไหนจะมารังแกและทำลายเจ้าเราให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีเลยนอกจากตัวเหตุดีชั่วเป็นเรื่องตนสังสมขึ้นเองเท่านั้นจงอย่าเห็นว่ากิเลสทุกประเภทจะมีอยู่ในที่ต่างๆ เข้ามาแทรกสิงหัวใจของเราแล้วปร้นสะดมออกหัวใจของเราไปใจดวงเดียวอาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นทางเดินเมื่อส่งกระแสะออกมาทางตาจึงปรากฏรูปขึ้นมาส่งกระแสะออกมาทางหูจ ม, มูกลิ้นกายจึงปรากฏเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเครื่องสัมผัสขึ้นมา แล้วก็ถือเอาอารมณ์ที่ตนได้รับสัมผัสนั้นๆเข้าไปสู่ใจกลายเป็นสมุทัยก่อทุกขึ้นมาเราจะเห็นว่าอะไรเป็นตัวีิเลดเล่าเมื่อการก่อเหตุให้เกิดเป็นเรื่องของเราเองแล้วนี่เราจะเห็นได้จากใจที่ปราศจากกติปราศจากปัญญาปลอยตัวเองไปตามอานาจ ของตันหาเครื่องรกระดังเขาก็ชุดลาบไปสู่อารมณ์ต่างๆตามแต่วิชาควา ม, มงมงายและตันหาความอยากไม่มีเมืองพอจะบังคับให้เป็นไป ต, ตามความต้องการของตนเวลานี้เราบวชในพระศาสนาจะพยายามให้รู้ทางเดินของเสือเครง่งตัวส้าคขัญซึ่งเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือเดินไปตามกระแสของตาหอจมูกลิ้นกาย ออกไปสู่รูปเสียงปริโนดเครื่องสัมผัสแล้วนำเอาอารมณ์เข้ามาเป็นอาหารกินอยู่ในถ้ำคือกายนี้เพื่อบำรุงเสือโคร่งเพื่อวิ ช, ชาให้มีกำลังกล้าแล้วสั่งสมทุกข์ให้เกิดขึ้นในตนทั้งวันทั้งคืนความเป็นทั้งนี้เพราะความไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นที่เลี้ยงรักษาใจ จึงเป็นช่องทางให้กระแสของใจเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นพิษมาเผาร่นตนเองให้เกิดเรื่องเกิดราวอยู่เสมอฉะนั้นจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติและปัญญาอยู่ทุกทุ ก, ทก อ, อยายุมดคำว่าโลกวิีทูเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นธรรมหน่อเลี้ยงอย่างไรต้องรู้ชัดทั้งโลกนอกคือสภาวะธรรมทั่วไป ทั้งโลกในคือใจกับเรื่องที่เกิดจากใจพระอำนาจสติกับปัญญาขัดเกล้าอยู่เสมอความบริสุทธิ์พุโทโธอันเด่กดวงจะโผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของตน ว, วันนี้ได้อธิบายข่าวของพระพุทธเจ้าแล้วข่าวแห่งสาวกทั้งหลายทั้งปฏิปทาที่ท่านจงนงําเนินทั้งผลอันเป็นที่พึงพอใจที่พระพุทธเจ้าและสาวกสงด้รับมาแล้ว เพื่อให้เราทุกท่านได้ยึดเป็นหลักฐานน้อมเข้ามาสู่ข้อปฏิบัติของดราเพื่อดําเนินให้เป็นไปตามแนวทางของท่านผลที่ได้รับจะเป็นที่พอใจหลักสําคัญที่ได้ย้ําในวันนี้คือเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับทุหมู่ทําตนให้พ้นจากทุกในวันนี้วันหน้าต้องเป็นทุ่นหนักในสติ สิ่งใดที่มาสัมผัสจงให้ทราบด้วยอําออนาจสติและไข้ครวนด้วยปัญญาทุกๆอย่างและทุกๆอาการที่มาสัมผัสจะเข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายใจทางในทางหนึ่งก็ตามจงพยายามสุขัด ส, สติและปัญญากับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นๆสิ่งที่มาสัมผัส ทั้งหลายจะกลายเป็นหินรับสติและปัญญาให้คงคาบขึ้นได้โดยลำมหนับแต่ถ้าเราปล่อยและตามอตัตโนมัติของใจแล้วจิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะกลายเป็นคาสติดต่อสติกับปัญญาและต่อใจของตนเองถ้าลงเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลามีปัญญาคิดค้นอยู่เสมอแล้วเราจะกาหนดสภาวะรมอนไรไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในคือกายกับใจ จะต้องทราบได้อย่างชัดเจนเช่นจะพยยจิจารณาจะกลุณากายของเราตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงข้างในที่สุดแยกส่วนใงส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายออกเป็นชิ้นเป็นอันได้ตามต้องการจะ ก, กําหนดส่วนเหต่งนี้โดยทางไตรรักก็ได้คือโดยทางอนิจจ์ความแปรสภาพของส่วนต่างๆประจักษ์ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งร่างกาย ทั้ส่วนหเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนแห่งสัญญาคือความจํำได้หมายรู้ทั้งส่วนแห่งสังขารคือความคิดความตุงของใจทั้งส่วนแห่งวิญญาณคือความรู้คือความรับรู้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกริมกายใจจะพิจารณาโดยทางทุกขังความแปรสภาพของสิ่งเหล่านี้ก็ได้จะพิจารณาโดยทางอนัตตา ควาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในสิ่งเหล่านี้ก็ได้สิ่งเหล่านี้จะประกาศรายลักษ์ประจำตนอยู่ตลอดเวลาไม่ดิกยังนอกจากสติกปัญญาจะไม่ติดต่อกันเท่านั้นจึงไม่สามาราบว่าสภาวะเหล่านั้นประกาศตัวอย่างไรบ้างคําว่านิ จ, จังคือความแปรสภาพอยู่เสมอสภาวะธรรมข้างนอกทั่วไปก็แปรภายในร่างกายของเราทุกส่วนก็แปร ความสุขทุกทเฉยๆปรากฏขึ้นก็แปรสัญญาความจดจําก็แปรสังขารความคิดนึกของใจก็แปรวิญญาณความรับรู้ก็แปรแต่และอย่างละอย่างมีความแปรสภาพประจำตนอยู่เสมอความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาก็เป็นจักรตัวเดียวกันกับอนิจจังและอยู่ในเครื่องจักรคือใจละอันเดียวกัน เมื่อจักรตัวหนึ่งเริ่มไหวตัวจักรตัวอื่นๆต้องเริ่มทํางานไปพร้อมๆกันถ้าเราพิจารณาด้วยความมีสติมีปัญญาประจำตัวอยู่เช่นนี้จะไม่เห็นตัว จ, กออจักรคือนิจจังคือไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทํางานอยู่บนร่างกายและจิตใจของเราและสภาวะธรรมทั่วๆไปได้อย่างไรเล่า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 ถาพลิกกายเป็นเรากายแตกเราก็หมดที่พึ่นถือเวทนาเป็นเราเ ว, เวทนาแตกก็หมดที่พื้นถือสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราจริงเรานี้แตกเราก็หมดที่พึ่นโดยเิยเลยจะกลายเป็นจิจนาถาอาสายามีแตกอิจแตกทั้งนั้นนี่คืออบายของปัญญา คิดหาความรอบข้อบไปตัวเองและพิจะนณานเน้นลงไปอีกว่าเรานั่งอยู่กับทุกข์นอนอยู่กับทุกข์อียาบททั้งสี่อยู่กับโรงงานแห่งไตรักตัวจักททำงานหมุนอยู่บนร่างกายและจิตใจของเราไม่มีวันปิดงานผลรายนด้ตกออกมาจากโรงงานเื อ, อนิจังทุกข์งอนัตาแพ่ไปทั่วโลกกรถาง ผู้ไม่ฉลาดเพียงทุกสกักเจ็บก็ร้องครางก็ตำตามกันฉะนั้นใครจริงบ่นว่าทุกข์บ่นว่าเดือดร้อนบ่นว่าบกพร่องขาดเขินบ่นว่าไม่สะดวกกายไม่สบายใจบ่นว่าไม่สมหวังเพราะเราอยู่ในโลกไม่สมหวังเราอยู่ในโลกแปรเปลืองเราอยู่ในโลกของไตร ล, ลักษณ์เืออนิจฉาทุกขขังอนัตตา จะหาอะไรมาเป็นตัวเราได้ลราเราอาศัยเขาสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราถือว่าเป็นของเราเสียเมื่อสิ่งนั้นดับสลายไปเราจึงเสียใจเราอยู่กับโลกที่ไว้ใจไม่ได้ทุกคนและสัตว์จึงต้องเดือดร้อนไปตามๆกันการพิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าโลกอันนี้เป็นอย่างไรแน่นั่นเอง อันหนึ่งการพิจารณาใจรัรกและการรู้เห็นในไตรักไม่ต้องถือเป็นความจำเป็นว่าจะต้องพิจารณาทั้งสามและรู้พร้อมๆกันทั้งสามใจรักเพียงพิจารณาและเห็นเพียงใจรักหนึ่งเท่านั้นก็สามารถถึงทราบไปทั่วทั้งสามใจรักได้เหมือนคําว่าโลกวีทูรู้โลก ไม่จาเป็นจะต้องไปนับเม็ดหินเม็ดตายในแผ่นดินมีเท่าไรในท้องมหาสมุทมีเท่าไรในแผ่นดินมีต้นไม้ภูเขาเท่าไรมีทรัพย์สมบัติสัตว์บุคคลเท่าไรคำว่าโล ก, กวีทู ร, รูปเพลงของโลกรูปกลมายาของใจตัวเองที่ไปสําคัญโลกว่าเป็นอะไรริงไปยึดมั่นสาคัญผิด กลายเป็นพิษกษุตัวเองจนปรากฏเป็นพิเดจปัญหาอวิชชาขึ้นมาให้เที่ยวเยียนว่าตายเกิดในสงสารทุกแล้วทุกเล่าไม่มีวันจบขึ้นสักทีโลกวิทูรู้ตามเป็นจินซึ่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของเขาเท่านั้นการที่จะนาตรายรัก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 จิตที่มีอวิชชาครองตัวอยู่จัดเป็นตรรักษ์ส่วนละเอียดตรรักษ์ประเภทนี้มีประจําอยู่กับจิตที่เป็นอวิชชาคือจิตที่เต็มไปื้องความรุ่งหลงขยับตัวออกขณะใดก็เป็นกิเลสขณะนั้นตรงค้นดูให้ชัด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 เข้าเป็นลำดับเพราะได้ตัดกิ่งก้านสาขาคือพิจารณาส่วนอยากเข้ามาหมดแล้วต้องตัดลำต้นให้ขาดและถอนรากเหง้าขึ้นมาอีกต้นไม้นั้นจึงจะต า, ายิดหายไม่มีเหลืออยู่ได้มีเราตัดในรูเท่ารูเขียงปิ่นนสดเครื่องสัมผัสในรู ร, รูเวทนาสัญญาสังขารอิญญาณเท่านั้นส่วนใดของจงอิ่งล่านี้คืออะไรรากเหง้า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 ถ้ายังไม่รู้ตนเองก็แสดงว่าเราฉลาดแต่ภายนอกส่วนภายในเรายั ง, งโง่หรือมากเพื่อความเฉลาดและลอกครอบเราต้องขยับเข้าไปที่จันาธรรมชาตินี้อีกครั้งหนึ่งคือความรู้ที่เป็นเจ้าตัวการรากวัตักรากความหมุนเวียนเชื่อแห่งกองทุกข์ทั้งมวลบรรจุไว้ในธรรมชาติ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 แม้จะไม่มีในตำร า, าแต่หลักธรรมาชาติเมื่อพิจารณาเข้าไปมันปรากฏอยู่อย่างนี้เพื่อท่านนักปฏิบัติที่สนใจจะได้ถือไว้เป็นข้อคิดเมื่อคราวจาเป็นเกิดขึ้นและจะได้นำมาพิจารณาแก้ไขตนเองเพราะท่านนักปฏิบัติที่สนใจในธรรมอันยิ่งด้วยความเพียรจะต้องผ่านธรรมาชาติ จะต้องผ่านทรรมในหลักธรรมชาติที่กล่าวมานี้อย่างแน่นอนทั้งจะได้ทราบในหลักแห่งสดขาตธรรมและนิยา น, นิกระทธรรมทิดพระพุทธเจ้าประฐานไว้แก่ผู้สนใจในธรรมว่าไม่เป็นโมฆะธรรมไปตามสัญญาความคาดหมายเสียติเดียวยังมีสันพทธิโกแฝงอยู่บ้างธรรมของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้า จะได้เป็นพวงไทยให้โลกได้พิจู์ข้อเทศินต่อไปการพิจรารณาผู้รู้ที่เป็นตัวสังเสริฐจัดเพื่อให้ท่านนักปฏิบัติได้เห็นจุดจบแห่งพบหรือที่สุดของโลกอันแทศินหลงได้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่ารู้โลกแต่กลับมาหลงธรรมในตัวเองผลสะท้อนเลยกลายเป็นหลงทั้งโลกหลงทั้งธรรม เพื่อความรู้โลกรู้ธรรมอย่างแท้จริงจงพิจารณาลงจุดผู้รู้ที่เดินดวงจนเห็นว่าเป็นตัวโทษหากินดีไม่ได้ด้วยปัญญาที่ทันสมัยใจตรงนี้จะระเบิดเชื่อวัตตะออกให้ดูอย่างเต็มใจพร้อมทั้งความเห็นภัยจนหน้าจะหายขึ้นในขณะนั้นเช่นเดียวกับเราไม่รู้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 ตัวลอยออกมาด้วยความอกสั่นวันหายไปหมดโลดเต้นออกมาด้วยความกลัวจนไม่มีสติยับยั้งว่าระยะทางที่วิ่งออกมามีอะไรขวางหน้าอยู่บ้างยังไม่ทันแต่คิดเพราะชีวิตมีราคาสูงมากนี่เสืออวิชชากระหึมขณะจะตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบรรดาท่านที่เคยผ่านเสืออวิชชามาแล้ว อย่างโชคโชนแต่ไม่ให้ท่านกลัวอย่างไรเล่าที่ยังเห็นว่าเสียงเสืออวิชาเป็นเหมือนเสียงคล้องเสียงกรองก็คือพวกเราผู้กำลังเป็นอวิชาอยู่เท่านั้นท่านที่เป็นวิชาไปแล้วได้ยินแต่ข่าวก็กลัวพอวิชาถูกระเบิดแตกกระจายออกแล้วนั่นแล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 อวิชาผู้พาเกิดพาตายได้แยกทางเดินกันกันกบเราแล้วในวันนี้อีกของเราถึงแง้วที่ทำมันไม่ช่วิสัยของอวิชาจะตามยืดเย่นอีกต่อไปมีอุทานของท่านที่หลุดลอยออกห้าจากทํำเสือข่าวของพระพุทธ เ, เจ้าและสาวกท่านดำเนินอย่างไรยึงถึงแดนแห่งความกษะเ เราควรดําเนินตามแนวทางของท่านเป็นลําดับมาจนถึงธรรมชาติที่รู้อันเป็นสาหายของอวิชชาและได้ถูกทําลายโดยชิ่นเชิงด้วยอานาจของปัญญาจากนั้นไม่มีสมมุติใดๆเท่าเพื่อแฝงแต่ธรรมชาติที่ไม่ใช่จมุตินั้นท่านให้นามแฝงว่าจมุตเพื่อให้ลงกันได้กับโลกที่มีสมมุติ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 ทั้งแดนแห่งความดุพ้น์ก็สุดขีดความสามารถอีกเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านจงน้อมเอาธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วด้วยพระเมตตามาปฏิบัติหากว่าจะปิดพระโอษฐ์ไม่ทรงโปรดสัตว์ผู้ยากจนเช่นอย่างพวกเราทรงเข้าสู่นิพพานไปเสียก็สุดหวัง ผู้ตั้งใจตามพระเดชพระองค์ท่านโดยทางธรรมตามบทธรรมเป็นภาษาของเราว่าผู้ใดเห็นธรรมผุ้นนชื่อว่าเห็นพระพระตถาคตแต่ไม่ทรงเห็นอย่างนั้นจึงโปรดประทานร่องรอยไว้ในธรรมทุกบททุกบาทโกรธทราบว่านั่นคือาศาสตาผู้ใคล้ต่อธรรมชื่อว่าใคล้ต่อาศาสดา ลงน้อมมาปฏิบัติเป็นกำลังผลที่ได้รับจะเป็นไปตามธรรมที่ศาสนาตรัสไว้ทุกประการนับแต่ขั้นต้นจนถึงยุธริพานจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายดูไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเถียงทรงนีเอวะ